หนึ 1> 1. การลดกิเลสคือหน้าที่ของทุกมนุษย์ที่ฉลาดกว่าสัตว์การลดกิเลสจึงเป็นหน้าที่ของคนที่ชื่อว่ามนุษย์ทุกคนที่ฉลาดกว่าสัตว์ไม่เช่นนั้นคนผู้นั้นก็จะฉลาดเท่ากับสัตว์หรือไม่ก็จะเป็นคนฉลาดแกมโกงภาษาบาลีว่าเฉกาซึ่งไม่ใช่ฉลาดแบบปัญญาเลย เลวร้ายกว่าสัตว์เพราะจะไปได้ความฉลาดที่ไม่สามารถเรียนรู้จากชลายตนะอายตนะหเป็นมิจฉาทิฏฐิจึงไม่บรรลุธรรมด้วยภาวะที่มีชลายตนะคือไม่เจริญด้วยการปฏิบัติที่มีชลายตนะ อันเกิดจากนามรูปเป็นกายให้ผู้ปฏิบัติได้อาศัยเรียนรู้ลดละกิเลสอย่างเป็นความจริงพ้นจากฝันได้แท้จริงพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้คนศึกษาปฏิบัติตนให้พ้นจากความเป็นสัตว์พ้นจากความเป็นสัตว์ตามวาส9ซึ่งจะรู้ได้จากจิตใจของตนเองนี่เอง จากความเป็นกายเป็นสำคัญซึ่งกายนี้ก็คือจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ230ไม่ใช่หมายถึงร่างกายเท่านั้นจะต้องเรียนรู้ทั้งในความเป็นรูปกายและนามกาย แล้วจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นสัตว์ทางจิตวิญญาณหรือสัตว์โอปปาติกะพระไตรปิฎกเล่มสิบข้อ60ธรรมะแบบพุทธนั้นทุกคนปฏิบัติได้เท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกมาบวชหรือจะเป็นคราวาดก็ตามไม่มีใครมีสิทธิ์ปฏิบัติธรรมได้มากน้อยกว่ากัน ปฏิบัติเพื่อบรรุโสดาบานันสกิทาคามีอานาคามีไปถึงอรหรันในคราบคราวว่าหรือนักบวชได้ทุกคนอย่าเข้าใจผิดเป็นอันขาดว่าผู้ออกมาบวชเท่านั้นคือผู้ปฏิบัติธรรมลดและกิเลสหรือมีหน้าที่ปฏิบัติธรรม ขึ้นชื่อว่ามนุษย์มีสิทธิ์ปฏิบัติธรรมทุกคนและนำเอาคำสอนพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้ทันทีทุกคนไม่มีลิขิตไม่เว้นโอกาสได้ทุกโอกาส